สาสุขโตวันนี้ด้วยความรู้สึกสบายใจเพราะว่าจะได้มีโอกาสพักใจเป็นเวลาหลายวันหลังจากที่ได้ทํางานเหนื่อยแล้วก็เจออะไรต่ออะไรมากมายมาตลอดหลายเดือนหรือบางทีอาจจะต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วก็ได้แต่บางคนก็อาจจะมาด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาครั้งแรก แม้ว่าตอนที่ตัดสินใจมานะอาจจะรู้สึกอยากจะได้มาเรียนรู้สิ่งสําคัญของชีวิตจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเสียทีหลังจากที่ผัดผ่อนมานานหรือว่าหลังจากที่ไม่มีโอกาสหรือหาโอกาสไม่ได้แต่พอมาแล้วนะได้มาเห็นสถานที่เราก็ได้มารับรู้ว่าจะต้อง ทำอะไรหรือเจออะไรต่อไปนะในอีกเจวันข้างหน้าก็าจจรู้สึกกังวลว่าเราจะไหวไหมเนาะไอ้ก่อนมาจะไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่ามันมีอะไรต่อให้อะไรให้คิดงานการก็ดีเรื่องที่บ้านเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คิดใครกลัว น, นะว่า เมื่อมาปฏิบัติว่าปัสสุกโตแล้วนี่จะต้องมาเจออะไรบ้างเดี๋ยวพ่อคนที่ไม่เคยนะมาปฏิบัติในลักษณะนี้อาจจะเคยปฏิบัติสักวันละไม่กี่นาทีแล้วก็บางทีก็ทำได้ไม่ครบอย่างที่ตั้งใจแม้เวลาก็แค่10นาที15นาทีก็เผลิดเล ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจแต่นับจากนี้ไปนะเจ็ดวันนี้ก็เรียกว่าต้องให้เวลาแล้วก็ทุ่มเทกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถนะ่านไปเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดความวิตกกังวล น, นะ ยิ่งเจอกฎระเบียบบางอย่างเช่นแม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าแม่อนุญาตให้พูดคุยกันก็ยิ่งวิตกกังวลเข้าไปใหญ่ว่าเราจะไหวไมมนอ้องนี่ก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยแม่จะรู้อาการปฏิบัติธรรมเป็นของดีแต่ว่า ใจหนึ่งมันก็มีความวิตกโดยเพราะคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางนี้มามากนะักแล้วตัวกิเลสเนี่ยนะหรือว่านิสัยความเคยชินเนี่ยมันก็จะคอยรั้งคอยเหนี่ยวไม่ให้เรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนาแต่แม้เราสามารถที่จะเอาชนะมันได้ตัดสินใจมาแล้ว มันก็ยังคอยหน่วงคอยเหนียวหรือคอยปลุกให้เราเกิดความไม่แน่ใจนะเกิดเรียกว่าเกิดวิจิกิจฉาเกิดความลังเลบางคนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะจะปฏิบัติให้ได้ครบ7วันแต่พอผ่านไปแค่วันแรก2วันแรกก็กิเลสหรือความเคยชินเนี่ยมันก็หาเหตุผลละ ว่าเฮ้เรามีเรื่องมีธุระที่จะต้องทำเสร็จแล้วไม่สามารถจะอยู่ต่อได้มันจะให้เหตุผลต่างๆมากมายเพื่อเราเลิกนะล้มเลิกความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติให้ครบคอร์สมันจะมีเสียงยุเสียงใหญ่แบบนี้นะเกิดขึ้นในใจของหลายคน ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันแต่ก็อยากจะให้ความมั่นใจใพวกเราว่าเนี่ยแม้ว่าประสบการณ์ที่นี่วันนี้แล้วก็ในอีกหลายวันข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่คุ้นแต่มันก็ไม่เหลือบ่าว ก, กว่าแรงนะที่เราจะทำให้ให้ให้ดีได้หรือ ทำให้สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวสถานที่ก็เป็นมิตรกับเราไม่ว่าจะเป็นป่าต้นไม้สิงสาราสัตว์แม้จะมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขออยู่บ้างก็ก็ก็ไม่ได้ดูร้ายมีแต่จะหลีกหนีเรา ไอ้ที่มารบกวนเราก็ไม่ได้หนักหนาสหาหัสอะไรนะเช่นยุงเช่นแมลงพวกนี้ยานึงถ้าเรามีความตั้งใจนะมันก็จะพาเราเนี่ยผ่านการปฏิบัติมาได้ด้วยดีแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างอย่างเช่น วันแรกสองวันแรกเนี่ยหลายคนจะต้องเจอกับความง่วงเหงาหานอนไม่แต่คนที่เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วนะแต่พอกลับมาสู่การปฏิบัติแบบนี้อีกนี้เดี๋ยวว่าจะเป็นการปฏิบัติทั้งวันเนี่ยให้ความง่วงนะหรือที่ภาษาพรุวัินธมิตะเนี่ย เป็นนิวรณชินเหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมารบกวนเราอยู่แน่นอนยกมือสร้างจังหวะไปได้แค่5้านาทีสินาทีก็ง่วงงกแล้วหรือเดินจงกรมไปได้สัก10บยสินาทีก็ง่วงซะแล้ววันแรกเนี่ยหลายคนจะเป็นแบบนี้นะนั่ทำใหถึง เ, เป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่า อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมก็ดีวิถีชีวิตหรือการปฏิบัติก็ดีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอยู่ห่างจากสิ่งเรา้าอันที่เราคุ้นเค ย, เยอยู่บ้านนะมันมีสิ่งเร้ามากมายเมื่อจะเป็นงานการที่เรียกร้องให้เราคิดนั่นคิดนี่คิดอยู่ตลอดเวลา คิดแก้ปัญหาคิดวางแผนแล้วก็มีคนมาพูดมาคุยนะไม่ไม่นับนะโทรศัพท์มือถือที่มันมีทั้งภาพมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งข้อความไม่ใช่ประจำวันของเราเนี่ยดวยว่าคนในเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งเรานะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอน งสิ่งเรานั่นก็มนรูปของอาหารที่ถูกปากเพลงที่ถูกใจหรือการสนทนาพูดคุยนะที่ชวนให้ติดตามแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งเร้าที่ว่าเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปมากใจของเราเนี่ยนะพอมันไม่มีสิ่งเร้าเนี่ยที่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีอาการง่วงขึ้นมาเลย เราอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าไอ้ที่เราตื่นนะตื่นทั้งวันเนยนะมันเป็นเพราะสิ่งเราสารพัดเลยทั้งรูปรถกลิ่นเสียงทั้งสีทั้งแสงทั้งงานการมันมาเราจิตให้ตื่นนะจนบางคนอาจจะหลับยากนะแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ ไอ้สิ่งเราเนี่ยนานาชนี้มันก็ลดน้อยถอยลงพอสิ่งเราน้อยถอยลงนะเราจะรู้สึกง่วงเลยยิ่งทาหรือปฏิบัติซ้ำๆยกมือซ้ำๆสิบสจังหวะซ้ำไปซ้ำมานั่งอยู่ในที่เดิมเดินจงกรมก็กลับไปกลับมาไม่ได้มีเรีย บ, บทใหม่ๆอะไร มันก็จะรู้สึกจำเจพอจำเจรหรือซ้ำๆก็จะง่วงเลยนะทั้งนั้นที่ก็มีผู้คนมากมายนะที่ปฏิบัติร่วมกับเราแต่ว่ามันไม่เร้าจิตกระตุ้นใจเรามากพอนะที่จะทำให้เราตื่นยิ่งบางคนติดกาแฟนะพอไม่มีกาแฟมากระตุ้นนะ ในระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ยิ่งง่วงได้ง่ายอันนี้มันเป็นบทเรียนบทแรกที่เราจะได้รับรู้นะว่าชีวิตของเราเนี่ยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยสิ่งเรามากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้เราตื่นนะตื่นทั้งวันบางทีตื่นไปถึงกลางดึก แต่พอไม่มีสิ่งเ่าที่ว่าเมื่อไรเนี่ยแม้แต่กลางวันแสกๆ ก, ก็จะง่วงที่สิ่งล้อมก็มีนะแต่มันเบาบางมันไม่มันไม่สามารถจะสะ ก, กิดหรือกระตุ้นจิตของเราให้กระฉับกระเฉงเท่าไหร่พอจิตเราด้านเสร็จแล้วนีมันธรรมชาตินะเป็นธรรมชาตินะเท้าของเราเนี่ยหนังของเราเนี่ยอาอยุรักษ์ของเราตรงไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันถูกกระทบบ่อยๆมันจะเริ่มด้าน นะเช่นเท้าของเรานี่ฝ่าเท้าเรานี่มันจะด้านเพราะมันมีการกระทบกันพอกระทบมากๆเขามันจะด้านพอด้านแล้วเนี่ยการรับรู้สิ่งกระทบเบาๆเนี่ยจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่บางทีเอามือลูบจะไม่รู้สึกเลยนะเท้าบางคนนี่ด้านมากจิตของเราก็เหมือนกันนะพอมันถูกกระตุ้นเราบ่อยๆจิตมันก็ก็ด้าน แมว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็มีสิ่งเราอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงนกแต่มันไม่มากพอที่ทำให้จิตเราตื่นเพราะจิตเราด้านเสร็จแล้วแต่ว่ามาอยู่ไปนานๆ น, นะจิตมันจะค่อยๆค่อยๆไวนะต่อการรับรู้เสียงเบาๆก็ทำให้จิตตื่นได้ฉะั้นพออยู่ไปสักสองสาวันเนี่ยไอความง่วงก็จะค่อยๆลดลงแล้ว เราจะเริ่มรู้สึกปรักตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ในง่วงนี้ก็ก็ยังไม่ต้องตื่นตกใจนะว่า้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปทำไปสักสามสี่วันนะมันก็จะเริ่มสตื่นขึ้นมาในบทเรียนบทแรกคือว่าเนี่ยชีวิตเราเนี่ยนะมันถูกกระทบด้วยสิ่งเรามากหรือมีสิ่งเรามากระทบจนกระทั่งทำให้เราตื่นพอเราขาดสิ่งเราเนี่ มันจะง่วงอัตอมาเรียกอาการนี้ว่าเหมือนกับอาการลงแดงนะเป็นการลงแดงทางผัสสะก็คือว่าเมื่อสิ่เราเนี่ยที่มากระทบเราน้อยลงเราก็จะมีอาการง่วงขึ้นมาบางคนก็โหยหาอยากจะได้สิ่งเราบางทีบางคนรู้สึกว่ามันเงียบมากไป้ตอนอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองนี่นเสียงดังเหลือเกินกรุงเทพมันเสียงดังมากเหลือเกิน แต่พอมาอยู่ที่เงียบเงียบแบบนี้บางทีมันหยหาเสียงเสียงดังมันหยหาสิ่งเราทนความเงียบไม่ได้เจอความเงียบและหูอื้อเลยอันนี้ก็ธรรมดาอนี้พอแต่บา ง, บางคนเนี่ยมันไม่ใช่ความง่วงนะแต่มันจะมีความฟุ้งเกิดขึ้นมันฟุ้งเยอะเลยนะมันคิดโน่นคิดนี่สารพัดเลย เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานมันไม่เห็นคิดมากขนาดนี้เลยที่มันคิดมากหรือที่มันมีความคิดฟุ้งมากเนี่ยเป็เพราะจิตมันไม่มีงานทานะในตอนเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทางานเนี่ยจิตมันมีเรื่องที่จดจอ่อจะเป็นงานก็ดีจะเป็นข้อความทางโทรศัพท์ก็ดีมันมี มันมีสิ่งให้จิตจดจ่อนะจะเป็นเพลงจะเป็นหนังจะเป็นอาหารพอจิตมันจดจ่อเนี่ยมันก็เริ่มจะมันก็สามารถจะอยู่นิ่งได้จดจ่อแม้กระทั่งงานการที่กำลังคุ้นคิดแต่พออยู่นเงี้ยสิ่งที่จะให้จิตจดจอมันก็น้อยลงหรือพูดง่ายคือว่าจิตมันไม่มีงานทำเท่าไหร่มันก็เลย ฟุ้งซ่านนะหรือว่าเกิดอาการความคิดกระจักกระจายที่เป็นธรรมชาติของจิตนะอันนี้ก็คือบทเรียนหนึ่งที่เราจะได้รู้นะเป็นบทเรียนที่สองเลยนะคือว่าจิตเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรทำก็จะฟุ้งนะแล้วยิ่งมันง่วงนะหรือมันยิ่งไม่มีอะไรรับรู้เนี่ยเสียงที่ที่เคยรับรู้มาลูรลกลิ่นเสียงที่เคย ได้รับรู้พอมันมีน้อยลงมันทำได้จะง่วงมันก็เลยสรรหาความคิดต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเราจิตนะไม่ให้เหงาไม่ให้เบื่อนะบางทีไม่มีอะไรคิดนะถ้าไม่คิดปุงแต่งเรื่องอนาคตบางทีก็ไปขุดคุยเรื่องอดีตมาเหมือนกับวัวนะถ้ามันไม่มีหญ้าอ่อนกินมันก็จะเคี้ยวเอื้อง เคียวเอื้อคือขยอกเอาของเก่ามาเคียวนะถ้าไม่มีของใหม่ให้เคีย่ยมก็ไปขยอกของเก่ามาอันนี้เราเคี้ยวเอื้องจิตเราก็เหมือนกันนะพอไม่มีอะไรให้ให้ทำไม่มีเรื่องที่จะรับรู้ไม่ได้พูดได้คุยกันจิตเนี่ยมันจะเรียกว่ามันมีอาหารเนี่ยก็คือรูปรสกลิ่นเสียงเป็นอาหารนะหรือ จะพู้อย่างคือมันเสพติดสิ่งเร่าพอไม่มีสิ่งเร่าที่คุ้นเคยมันก็ไปหาสิ่งเร่าอย่างใหม่นะสิ่งเร่าอย่างใหม่กคือแล้วคือความคิดนั่นแหละต้อก็จะคิดโน่นคิดนี่สารพัดเอาของเก่ากดคุยของเก่ามาคิดหรือไม่ก็เอาของใหม่มาปรุงแต่งเนีหลายคนจะเพูดว่าว่ามันมันคิดเยอะเหลือเกินหนึ่งเพราะมันไม่มีงานทํา จิตไม่มีงานทําก็เลยนะอยู่นิ่งไม่เป็นเหมือนกระ ล, ล, ลิงเนี่ยถ้าให้กระลิงเนี่ยถ้มันอยู่นิ่งถ้าจะให้มันอยู่นิ่งต้องให้มันทํางานถ้ามันไม่ทํางานเมื่อไหร่มันก็จะโดดไปโน่นโดดไปนี่นี่คือลักษณะนิสัยของจิตเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราควรจะรับรู้มันไม่สิ่งเสียหายนะอาการที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันให้บทเรียนมันให้ความรู้กับเราว่าธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้นะ แล้วนอกจากการที่จิตมันไม่มีงานทําแล้วมันก็ต้องหางาน ท, ทําด้วยการคิดนั่นคิดนี่แล้วมันก็ยังอาศัยการคิดนั่นแหละเป็นการกระตุ้นเราให้มันได้ตื่นตัวขึ้นมานะหลายคนจะพบว่าเนี่ยเวลามาปฏิบัติมันคิดมากเหลือเกิ น, น, นธรรมดาแต่หลายคนเนี่ยพอไม่เข้าใจหรือยอมรับไม่ได้นะีสิ่งที่จะทําประการต่อมาคือพยายามไปบังคับจิตไม่ให้คิด พยายามกดข่มความคิดมันคิดมากเหลือเกินอันนี้แหละคือกับดักนะที่นักปฏิบัติจานวนมากเนี่ยมักจะติดแล้วก็ทำให้ไปไหนไม่ได้แถมเกิดความทุกข์พอพอไปห้ามจิตไม่ให้คิดพอไปกดข่มความคิดเข้าทำไปนานๆมันก็จะเครียดทีแรกเครียดเพราะว่าทาไม่สาเร็จจะห้ามมันยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดคิด และต้องหลัง ก, การพยายามห้ามความคิดนั่นแหละการพยายามกดขม่มความคิดนั่นแหละที่จะทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกทําให้เกิดอาการปวดหัวเกิดอาการทางกายภาพขึ้นมาเพราะเวลาคนที่หลายคนไม่รู้ตัวนะเวลาไปห้ามความคิดเนะี่ยไปเบรกความคิดเนี่ยกำลังคิดใจลอยแล้วก็อยู่ดีดพอรู้ว่าว่ามันเผลอคิดไปไปเบรกมาไปห้ามมันทางบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกแน่นหน้าอก เพราะอะไรนะเพราะตอนที่ไปเบรคความคิดเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะไปกัน้นกั้นลมหายใจพอไปกั้นลมหายใจบ่อยๆเข้านะมันก็จะสึกหายใจไม่เต็มปอดมันจะเครียดมันก็เหมือนกับเวลาเราสนเข็มนะสนเข็มเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะจะ ก, กั้นลมหายใจเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่เราสนเข็มเนี่ยเราก็สนกัน5นาทีสิบนาทีอย่างมาก แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทั้งวันแล้วเรากลั่นลมหายใจนี่ชั่วโมงนึงไม่รู้กี่ครั้งวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งทํานี้ไปหลายวันมันก็หน้ามืดโปวดหัวแน่นหน้าอกจริงๆการปฏิบัติเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติหลายคนก็อย่างได้ทึ่นึกถึงก็คือการพยายามไปบังคับจิตไม่ให้คิดนนี้เป็นเป็นความเข้าใจที่ติดมากับผู้คนนะ ว่าเวลามาเจริญสติมาทำสมาธิหรือมาทำกรรมฐานเนี่ยคนจะคิดถึงการไปบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้เป็นความเข้าใจที่สร้างปัญหามากซึ่งมันก็เป็นอาการสุดโตรงอย่างหนึ่งนะไอตอนไม่ปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านไปทุกทิศทุกทางแต่พอจะมาปฏิบัติเข้าเนี่ยก็เวียงไปอีกทางนึงคือไปห้ามความคิด บังคับจิตไม่ให้คิดนี่เป็นทางสุดต่งสองทางนะซึ่งควรเลี่ยงปล่อยใจให้ลอยก็ไม่ถูกพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าประการที่สองมัญคือเราไม่สามารถจะห้ามจิตไม่ให้คิดได้เลยแม้แต่จะรู้ว่ามันจะคิดอะไรอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยลองดูนะอีก น, นาทีข้างหน้าเนียเราจะคิดอะไรเราไม่รู้เลยและแม้เราตั้งใจว่าจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ย ในห้านาทีต่อจากนี้ไปกไม็มีใครทำได้ไม่ถึงห้านาทีอาคิดไปละคิดไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนั้นเนี่ยคนที่ตั้งใจจะห้ามความคิดเนี่ยสุดท้ายก็สุดผิดหวังรู้สึกหงุดหงิดเพราะมันทำไม่ได้และอาการที่ห้ามความคิดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดนะการแน่นหนะ้าอกการปวดหัว อย่างที่พูดไปลองมาฝึกนะฝึกทางสายกลางดูก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเผลอปล่อยใจลอยก็ไม่ใช่บังคับจิตหรือเพ่งดักจ้องความคิดก็ไม่ใช่ทางสายกลางคือว่าแค่รู้รู้ทัน แต่หลายคนเนี่ยก็จะติดนะติดนิสัยหรือติดความเข้าใจว่ามันต้องห้ามความคิดเพราะอะไรนะเพราะว่ามีความเข้าใจว่าถ้าไม่คิดเนี่ยจิตจริงจะสงบแล้วหลายคนเนี่ยก็มาเพื่ออยากให้จิตสงบพอย้ายมาอยากมาด้วยจิตที่สงอยากให้จิตสงบมันก็จะคิดเลยนะว่าจะต้องไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นในใจจะไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นนะทางานก็ต้องห้ามมัน ให้ความเข้าใจผิดนะว่าความสงบเกิดขึ้นได้เมื่อจิตไม่คิดที่มันเข้าใจผิดเพราะว่าไม่มีไม่มีทางที่จิตจะไม่คิดนะแต่ถึงแม่ไม่ถึงแม้มันคิดเนี่ยเราก็สามารถจะสัมผัสความสงบได้นะแทนที่จะบังคับจิตไม่คิดนะหรือไม่ให้จิตมีความคิดเลยเนี่ยลองคิดให้น้อยลงจะดีกว่า แทนที่จะไม่คิดเลยน ะ, อะลองตั้งเป้าไว้คิดให้มันน้อยลงแล้วคิน้อยลงเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่ทําได้นะถ้าเรารู้ทันความคิดการเจริญสติที่นี่เนะี่ยเราไม่ได้ฝึกไม่ให้คิดเราไม่ได้เน้นการห้ามความคิดและไม่สับไม่สนับสนุนเลยนะด้วยนะักการห้ามความคิดนะหลวงพ่อที่นั่นก็พูดอยู่เสมอนะว่าอย่าห้ามคิดอย่าห้ามคิด แต่ให้รู้ทันความคิดถ้าเรารู้ทันความคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะมันจะคิดน้อยลงแล้วพอคิดน้อยลงเนี่ยนะมันก็จะเกิดความสงบตามมาได้ง่ายขึ้นมันอยู่ในวิสัยที่จะทําได้นะดีกว่าการที่จะให้จิตไม่คิดเลยหรือว่าความคิดเป็นศูนย์อันนี้มันเป็นไปไม่ได้สอ๊ะสำคัญคือว่า เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตสงบด้วยการไม่คิดนะความสงบเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้หรือว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักคือให้มีความรู้สึกตัวให้มีสตนะิขีดเส้นต้างด้วยดีๆนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อความสงบนะเลยเพราะสงบที่เกิดจากการไม่คิดหรือไม่มีความคิดแต่เรามาฝึกเพื่อ ให้เกิดความรู้สึกตัวให้มีสติให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไอ้ความคิดเนี่ยแม้เราห้ามันไม่ได้นะแต่เรารู้ทันมันได้นะและเพียงแค่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ทําให้ความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันทําอะไรจิตใจเราไม่ได้มันมาครอบงําจิตไม่ได้เพราะ ทันทีที่เรารู้ทันนะมันก็เจือจางหรือสลายหายไปเลยเพราะตอทนทีที่เรารู้ทันเนี่ยมื่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์หรือสิ่งตรงข้ามกับความหลงนละไอ้ความหลงนี่แหละเนี่ยก็คือบอกเกิดของความคิดฟุ้งซ่านมันเหมือนกับไฟนะ เปลไฟมันมันต้องอาศัยออกซิเจนไอความคิดทุ่งซาหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความโกรธความเกลียดความเครียดความทุกข์พวกนี้มันเกิดจากความหลงหลงเมื่อไหร่นะมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกตัวขึ้นมาแทนที่ก็เหมือนกับไฟที่มันขาดออกซิเจน เมื่อความหลงหมดไปความคิดปรุงแต่งก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่การที่เราจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยนะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามารู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวก่อนก่อนที่เราจะรู้ใจหรือรู้ทันความคิดเนี่ยมันต้องมาฝึกให้มารู้กายก่อนรู้กายคือรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวหรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหว เราจะรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยก็แต่เมื่อใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่ามีความรู้สึกตัวถอาใจมมนอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็ไม่เกิดความรู้สึกนะว่ากายเคลื่อนไหวลองสังเกตดูเวลาใจลอยแล้วเราเดินจงกรมขณะที่เราใจลอยเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยนะว่ากลาลังเดินอยู่หรือใจลอยขณะที่กลาลังจ้องมือสร้างจังหวะเนี่ย ในช่วงขณะนั้นเองจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามือเคยเลื่อนเคยยับเพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่กับความคิดแล้วมันจมหายเข้าไปในร่วงแงความคิดแล้วตอนนั้นเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยไม่รู้สึกตัวนั้นจะต้องฝึกให้กายให้ใจมาอยู่กับกายก่อนหรือให้ใจมารู้กายก่อนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องก็จะบอกว่าให้มารู้กายก่อนนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิด อย่าไปสนใจความคิดมันจะคิดมากคิดน้อยช่างมันนะอย่าไปคิดทำอะไรจะไปคิดทำอะไรกับความคิดนั้นให้มารู้กายกับให้มารู้กายแต่ก็นั่นแหละนะรู้กายไม่จะแปลว่าเอาใจไปเพ่งที่เท้าไม่ได้เอาใจไปเพ่งที่มือให้มารู้สึกเบาๆความว่ารู้กายเนี่ยมันหมายถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อม ถ้าเราไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่มือมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมได้ยังไงมันก็จะรู้ตัวเฉพาะจุดนะไอ้รู้ตัวทเฉพาะเนี่ยก็คือว่าใจนี่ไม่ไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปจดจอ่อส่วนใด <êtes> ส่วนหนึ่งของร่างกายไอ้ต้องปล่อยออกมาสักหน่อยเหมือนกับถ้าเราไปอยู่ใกล้เราก็เห็นแค่บางส่วนของร่างกายถ้าอยู่ใกล้มากก็อาจจะเห็นแค่มืออาจจะเห็นแค่เท้าแต่ถ้าเราถอยออกมาหน่อยก็จะเห็นทั้งตัว <c oughs> ใจที่ไม่ไปแนบแน่นอยู่กับพ้าไม่แนบแน่นอยู่กับลมหายใจไม่แนบแน่นอยู่กับมือเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ขอยออกมาสักหน่อยนะอย่าไปจดจ่อให้มันแนบแน่นเกินไปแล้วพอระวังใจถูกเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้กายเดินก็รู้สึกว่าเดินยกมือก็รู้สึกว่าเดินแล้วต่อไปนะเวลาเรา พิกมือไปพลิมือมามัก็รู้สึกว่ามือพลิกแต่ไม่ได้รู้แค่นั้นถึงเวลากระพริบตาคกือนน้าลายมันก็รู้พอใจเนี่ยมันไม่ได้ไปจดจ่อที่มือถ้าไปจดจ่อที่มือเนี่ยกระพริบตาคกือนน้าลายมันก็ไม่รู้หรอกเกิกระพริบตาคกือนน้าลายรู้ก็ต่อเมื่อมันเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือให้รู้กายก่อนนะทำใจสบายสบายแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะรู้ทันความคิด